ใจภาวนาต้องใจเจริญจิตต้องใจพัฒนาจิตของเราแต่ละคนทำอย่างไระเราจึงจะมีความเจริญ ของเราที่จะมีจึงจะมีความเจริญเราคิดเอาบ้างที่ว่าพัฒนาจิตซึ่งเป็นการพัฒนาภายในส่วนพัฒนาภายนอกเราก็ทราบดีกันอยู่แล้ว ความเจริญของด้านภายนอกลุกหน้าเพืบหน้าเรื่อยไปก็มีแต่ความเจริญทาอะไรก็ยังประโยชน์ให้แกมนุษย์ทำอะไรก็ยังประโยชน์ให้แกโลกให้แก่ชาวโลกเขาได้อาศัย เขาพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองเช่นถนนหนทางตลอดถึงหยดยานภานะที่วิ่งไปตามถนนหนทางเขาพัฒนาได้ดีเขาปรับปรุงได้ดีสำหรับโลก ก็หากมีความเจริญและได้รับความสะดวกสบายนั่นก็เรียวกว่าพัฒนาภายนอกเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วเรื่องการพัฒนายังความเจริญนั้นให้เกิดขึ้นและยังความเจริญนั้นให้มีมาเราก็ทราบกันดีส่วนเจริญภายในน่ะ ทำยังไงความเจริญมันจึงจะเกิดขึ้นความเจริญภายในกับความเจริญภายนอกมันก็ผิดกันความเจริญภายในมันไม่มีวัตถุ ที่จะให้เรามองเห็นว่าความเจริญด้วยด้านหรือด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้อันนี้เราไม่ได้มองเห็นโดยลักษณะอย่างที่เป็นวัตถุให้เรามองเห็นทีนี้ความเจริญภายใน มันเป็นของที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่มันก็เจริญได้ความเจริญของภายในนะี่มันเจริญโดยวิธีไหนความเจริญภายในนะี่มันที่นี่ทาง ภายในเราต้องการอะไรเราก็ต้องการความสุขความสุขมันก็นเนื่องมาจากธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราปฏิบัติตามที่จะให้เกิดสุขธรรมะเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความสุข เมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากธรรมะที่เราปฏิบัตินะ่ยความเจริญในความสุขเนะี่ยจะรอถึงความเจริญในธรรมะมันก็ควบคู่กันไปที่ี้เราทำยังไงล่ะจะนำธรรมะ ที่จะยังความจเจรินนะ่ะนะให้มาบังเกิดที่หัวใจเราได้กอคือให้มาสงบที่หัวใจของเราได้และมาทำให้ใจของเรามีความสงบในธรรมะได้เราจะทำยังไงข้อนี้อน่ะ เราควรปฏิวัติปฏิวัติกิเลตตัวเองนะ่ะด้วยธรรมะคือคําสอนพระเจ้าปฏิรูปกิเลตตัวเองนะ่ะด้วยธรรมะคําสอนพระเจ้านะทำยังไงเราจะปฏิวัติได้ทํายังไงเราจะปฏิรูปได้ การแปลสภาพเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายนันให้มันได้หมดจดคือให้มันหายแม้กระทั่งถึงความพงสานเราก็จะกำจัดและเราก็จะต้องปฏิรูปเราก็จะต้องปฏิวัติ กำจัดด้วยสติและสัมปชัญญะนะ่นเอาสติอของเราเราเขาไปตั้งตั้งไว้ในวงในเนะี่ยเอาสัมปชัญญะก็เขาไปตั้งไว้ในวงในเขาไปตั้งไวงนะ้ในหัวใจนั่น เพื่อจะได้ปฏิวัติเพื่อจะได้แก้ไขนะั่นเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันทำลายคุณสมบัติของตัวเองนะ่คือมันทำให้โศกมันทำให้เศร้ามันทำให้มัวหมองมันทำให้คนมัว ทำให้เจ็บแสบทำให้แห้งใจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันมีในตัวมันน่ะสิ่งที่มันมีน่ะมันมาจากไหนเราก็ไม่ทราบเราก็หาเลยรู้ไหมว่ามันมาจากไหนแต่มันก็มาในตัวเขานั่นแหะมันก็อยู่ที่ไหนแล้วมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหะ ข้าวที่มันไม่มีข้าวที่มันไม่เป็นมันก็หมกอยู่มันก็เฉยๆอยู่พอมันมีอะไรมากระทบมันก็แสดงตัวออกมาเมื่มันแสดงตัวออกมาอะความฟุ่งซ้าน ความบุ่นวายนะความเร่าร้อนนะมันก็เกิดขึ้นในตัวมันนะทีนี้เราจะไปแก้โดยวิธีไหนเราเอาสติและปัญญาของเราน่นะเข้าไปแก้ พอเปิดตั้งตั้งเอาไว้นะตั้งก็จะเปิดตั้งเฉยๆนะความสงบก็ให้มันมีด้วยก็ให้มันได้รับความสงบจากการกระทําของตัวเองบ้างให้มันได้รับความสงบจากการ ฟังของตัวเองบ้างมันได้รับความสงบจากการภาวนาของตัวเองบ้างทีนี้ความสงบจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีทางเกิดเลยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาโดยวิธีไหนก็หาเลยรู้ไม่ ทำวิธีไหนเราก็ทำหมดกรม ว, วิธีไหนเราก็บฏิกรรมหมดเขาว่าดียังไงเราก็ว่าเราก็ทำไปหมดก็ว่าไปหมดแต่ผลที่เราว่านะผลที่เราปฏิบัติผลที่เราก็ทำไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้ว ม, มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็หาได้รู้ไหม แทนที่มันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นบ้างเป็นบางสิ่งบางอย่างปฏิบัติเราก็ไปปฏิบัติภาวนาแล้วก็ไปภาวนาฟังเราก็ไปฟังเทศนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากการภาวนานะ มันอะไรเป็นผลลัพธ์มันก็ยังหาอะไรปรากฏในตัวเองไม่นะความสงบเท่าฝ้าแลบเนี่ยมันก็ยังไม่มีเนะี่ยความสงบเท่า สร้างกับพิภูงูแหลปริ้นมันก็ยังไม่มีมันก็มีตั้งแต่ความคิดนะ่ะมีแต่ความยุ่งมันยุ่งอยู่ข้างในน่ะมันไม่ได้ยุ่งข้างนอกหรอกมันยุ่งอยู่ข้างในนะนนนนะถึงเราไม่มีงานทําถึงเราไม่ไม่ได้ทํางานอะไรก็ตาม ถึงเราจะทำงานอยู่กาตามความยุ่งมันมีมีในตัวเองแต่ละคนละคนน่ะมันหากมีเรื่องเรื่องหายุ่งในตัวเองน่ะใครจะมีเรื่องอะไรก็ก็เป็นหน้าที่ของคนคนนั้นน่ะมันนี่ทึ้ว่ามันจะอยู่เฉย แล้วมันจะสบายเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้สบายนะอยู่เฉยๆนะมันอยู่เฉยแต่พ่อภายนอกเราคิดว่าไม่ได้ทำอะไรม่ตรหลับมิต่นอนยืนจะเดินเล่นอยู่ตามบ้านตามช่องทำมันสบายมันสบายเกินไปมันอยู่ได้เมื่อไหร่ลนี่ะมันอยู่ไม่ได้ ภายในยนีน่ถ้ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องร้อมันมันไม่ได้ความเศร้าหมองมันก็เลยมีในตัวของเขาเองนั่น น, นะให้เรารู้จักการปฏิวัตริรู้จักการปฏิรูปรู้จักการดัดแปลงรู้จักการแก้ไข ก็เอาสติปัญญาเราเนี่ยสิข้าไปปฏิวัติเอาสติปัญญาเราสิไปปฏิรูปเอาสติปัญญาเราสิไปแก้ไขเอาสติปัญญาของเราสิเข้าไปกําจัด คนเรามันก็มีกันทุกคนนี่ใครไม่มีปัญญาอนะเรื่องกัญญาอนะมันมีกันทุกคนอนะเรื่องความรู้อนะมันมีกันทุกคนอนะแต่เราจะเอามาแก้เรานะ่อนะมันเราก็ไม่ได้มีความสํานึกอนะ ปัญญาเราก็มักจะไปแก้แก้ก็แก้คนอื่นไปงั้นนะ่ะปัญญาเราที่จะมาแก้เราเนี่ยมันไม่ค่อยมีนี่แรามันทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราก่อนที่เราจะให้ทุกข์เกิดมาเนี่ยเราแก้ไว้ก่อนแล้ว สติปัญญานะ่มันตั้งมั่นแล้วเนะี่ยมันมั่นคงแล้วเมื่อสติปัญญามันมั่นคงแล้วความวุ่นวายมันก็เข้าไม่ได้ความเช้าหมองมันก็เข้าไม่ได้ความเจ็บแค้นเน่นในอุรามันก็เข้าไม่ได้ พราสติปัญญาของเรามันเข้าไปมั่นนะ่ะตั้งมั่นนะ่ะที่ว่าเราไปปฏิวัติเขานะ่ะไปปฏิวัตนะิจิตเ็ศไปปฏิวัติอารมณ์นนะ่ะให้เรากำหนดใ จ, จของเราเนี่ยให้ดีเนะสังเกตเอาเถอะแต่ละหัวใจหัวใจนะนะั่นน่ะที่เรามาฟังธรรมเนะี่ย อย่าคิดว่าเรามาทำอย่างอื่นเถอะเรามาฝึกฝนหัวใจฟังก็ต่สักว่าฟังคือเป็นหน้าที่ของหูหรอกฟังรู้ว่าเป็นหน้าที่ของใจ เราจะเอาโหหรือเราจะเอาใจเราไม่ใช่เอาโหน่ะเราจะหาหัวใจเราเราจะเอาหัวใจเราก็ให้กําหนดหัวใจนั่นนะแก้ปัญหาหัวใจให้มันได้ ใจตัวเดียวนี่ล่ละโลกมันก็จะเินได้มันทำให้โลกจเจริญได้มันทำให้โลกหายณะก็ได้ทำให้โลกสิบหายก็ได้ก็จใจดวงเดียวนั่นที่มันสร้างอะไรขึ้นมานะ่ย มันก็ใจายตรงเดียวน่ะนะมันปรัปรุงพัฒนาอะไรต่างๆขึ้ น, นมันก็เนื่องมาจากใจน่ะนะคุณค่ามันมหาศาลนะเอาความเจริญมาให้ก็ได้เอาหายนะหายะคือความเสื่อมก็ได้ มันอยู่กับเขาวนะี่ะนี่ภายนอกมันก็ทำได้ทำลายได้ถ้ามันทำลายภายนอกได้มันก็ทำลายภายในให้เรากำหนดใจของเราให้ดีนะ่ยนะสังเกตดูเถอะไม่ผิดหรอกเรื่องของจิตนะให้เราพากันสังเกตบ้างจิตของตัวเองเนะี่ะ ที่มันลบลาค่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนั่นแ่ะนั่นแ่ะเขาเรียกว่าหายอนะมันจีบหายเลยะนะความเสียหาย มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตั ว, วนะั่นน่ะนี่ก็เพราะว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทั น, นในสภาพเรื่องของจิตแห่งตัวเองเ น, นี่มันยากนะส่วนธรรมะเรารู้อยู่ เรารู้กันทุกคนนะ่ะสติเราก็รู้มาแล้วเราก็ได้อ่านมาแล้วท่องบนมาแล้วสมัมมาชนยะเราก็รู้มาแล้วอ่านมาแล้วนีลิความละอายต่อบาปโอรตระปาความเกรงกลัวต่อบาป พระรัตนตรยเจ้าทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงค์อย่างนี้เราก็อ่านมารู้กันมาแล้วนะนี่สำหรับธรรมะที่นี่ส่วนใจตัวเองหรอก ที่ว่ามันเกิดสติที่ว่ามันมีสมัมปชัญญะมันมีไหมก็โดยมากมันไม่ได้สังเกตนะพอมันเป็นรู้หลักธรรมะเนะ่ะมันคิดว่ามันรู้แล้วนะว่ามันได้แล้วเนะี่ยมันก็เข้าใจไปอย่างนั้นเวลาความเดือดร้อนมานะ่ะ มันร้อนไปหมดนะมึงก็แผ่นดินทั้งแผ่นนะมันร้อนไปหมดหนระมันทาที่อยู่ไม่ได้นะเวลามันร้อนมารนะ้อนใจตัวเดียวนั่นนะมันไม่รู้จะทางไปนะนี่เราเรารู้ธรรมะคือสติและสัมปชัญญะแล้วเนะี่ยให้เรานำเอามาปฏิวัติ นำเอามาป็ิลูนำเอามาเปันแป้งนำโดยวิธีไหนล่ะอันดับแรกเราก็โอเปอนาจีโก้สเราน้อม จิตน้อมใจของเราเข้ามาเนี่ยน้อมผู้รู้เข้ามาน่โดยคำบริกรรมหรือว่าด้วยคำบริกรรมบริกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งละ่ะแต่อาศลมเป็นหลับลมนี่อาศัยเป็นรากฐานไว้ก่อนสำหรับเบื้องต้น เวลาเราหายใจเข้าใจออกอย่างนี้เราก็คงจะสะาให้ทราบ้วยตนเองนะให้รู้โดยตนเองนะอันนี้มันเป็นฐานของการปฏิบัติเบื้องต้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราจะปริกรรมอะไรนะอะไรนะมันจะถูกกับจิตของเราที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบง่าย อันนี้เราก็หาเอาเองเนะถ้ามันพอจะหาได้หรือว่าเราเคยทำมาแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยภาวนากันมา เ, นเราเคยว่าพุทเข้าไปแล้วก็โทรออกมาเนี่ย นี่สำหรับพวกเราเนี่ยเวลาเราหายเข้าไปหายใจเข้าไปพุทธเวลาออกก็กโทษนี่อาศัยลมเป็นที่ตั้งอีกประเภทหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่มันก็มีหายใจเข้าไปนี่นะพองหรือว่พองหน่ออะไรนะ่ เวลาออกมาก็ว่ายุบนอออกยุบเข้าพองเขาก็ใช่ของเขากระหักลมนั่นะคิดแล้วมันก็หากเป็นลมนี่และลมเข้าลมออกแต่ที่จะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบของใจนะเพื่อให้ใจสงบนะ พเพราะเบื้องต้นมันเป็นสมถะมันเป็นอุบายเป็นอุบายที่จะทำใจให้สงบนะพอเรามากาหนดแล้วนะความสงบมันเกิดขึ้นอุบายที่เราทำานะ่มันก็เรียกว่ามันก็หายไปแล้วมันก็หมดไปเราก็ไม่ได้ทำตามอุบายสิ เราจะมาทำตามความสงบสิเนี่ยที่เรามารักษาความสงบและทำตามความสงบนั้นน่ะนั่นแ่ะมันเป็นปัญญาละทิศต่อไปมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นที่จะมันจะรู้จะเห็นด้วยอัตโนมัติของจิตน่ะ ถึงเรื่องมาจากความสงบความสงบก็เรื่องมาจากสมถภาวนานะที่นีนปัญญานะ่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามลำดับด้วยอำนาจของความสงบเท่าที่มันจะมีมาเท่าที่มันจะเป็นได้ถ้ามันสงบไปตลอด ก็ปัญญามันก็มีไปตลอดถ้ามันสงบเป็นข้างเป็นข้าวปัญญามันก็เป็นข้างเป็นข้าวมันเช่นเดียวกันก็ลองให้มันสงบเป็นเพื่อไปดูสิละมันติดต่อกันดูสิปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจาก ความสงบอันเรื่องมาจากสมถะนั้นมันจะเป็นยังไงมันมีอาการเสียหายอย่างไรอันนี้นะเราก็ควรที่จะทำให้มันเกิดมันมีขึ้นเรื่องว่าพัฒนาให้มันมีขึ้น ปรับปรุงให้มีขึ้นปฏิวัติให้มันมีขึ้นปติรูปให้มันมีขึ้นที่เนี่ยมันมีจะไปคิดเอานะเดี๋ยวนี้นะมันยากเลนะคิดไม่ได้อย่างใจใชนะ่ไหมมันก็เลยเลิกนะโดะมากมันไปอย่างนั้นนะจะไปทำเอาเพื่อมันจะได้ผลจริงจริงมันก็ไม่เอา แต่จะเอาจริงๆมันก็มันก็มีทางเลี่ยงออกกันนะนะกิจเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะต้องเข้าใจในปัญหาอันที่มันเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นกับจิตนั่นนะ เราก็พยายามก็หนดดูสิสภาพของจิตมันเป็นยังไงเราก็พยายามจ้างข้อสังเกตเอาไว้นะ ทำยังไงเราจะดัดแปลงแก้ไขไดนะ้ที่จะให้มันเกิดขึ้นในความสงบนะส่วนความสำเร็จนั่นเราเอาไว้นั่นก่อนคิดว่าคงจะไม่ได้สำเร็จง่ายๆหรอกก็ให้ทำไปซะก่อนเนถะ ทานไม้ให้บุญสําเร็จด้วยการภาวนาให้ทานซะก่อนศีลไม้บุญสําเร็จด้วยการให้ศีลรักษาศีลก่อนภาวนาไม้บุญสําเร็จด้วยการภาวนาก่อนเอาแค่บุญละก่อนส่วนความสําเร็จนั้นนะเอาไว้นะ้ก่อนอย่าพึ่งไปอะไรมันเถอะสําเร็จอย่างนั้นสําเร็จอย่างนี้ ส่วนเด็กโซดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาอะไรน่ะอย่าพึ่งนะคนไหนที่เขาได้ก็ให้เขาได้ไปเถอะถ้าเขาได้จริงจริงไปให้เขาเขาได้จริงจริงซะมันก็จะได้หมดปัญหากับคนผู้นั้นด้วยแล้วมันก็จะได้หมดปัญหากับเราอีกคือมันจะไม่ได้มาบุบบายกับเราอีก เราก็จะนั่ไม่ได้ไวุ่นวายกบพูดนั้นอีกมันก็ได้หมดปัญหากันไปเรียกว่ามโนทนากันไปพูดเลยที่ได้แล้วนะแต่เรายังไม่ทันได้นละ่นะแต่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างเขาหรือไม่นันก็อีกเรื่องหนึ่งสิเมื่อเราได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะ่ะจะค่อยว่ากันอีก ถ้ามันจะสำเร็จแต่มันจะเป็นไปได้ยากเอาแค่บุญแค่กุศลเนี่ยภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยเราเอาแค่นี้ก่อนดแค่ความสงบสก่อน ทำยังไงแหะมันจึงจะทาให้ใจของเรามีความสงบได้นะทำไปเถอให้มันสบายนะเอาให้มันสบายไปก่อนมันยิ่งทุกข์แต่ลราคนเราคนนะ่ะมันก็ออบแต่ทุกข์ออกมาท้งนั้นลหละไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งล่ะเรื่องหัวใจนะ่ะ ไม่รู้ว่ามันหอบมาทำไหมผมมันก็เป็นหน้าที่ของมันอีกแหละนั้นละให้นำความสงบเข้าไปแก้ปัญหาพอประทังชีวิตของเราไปเป็นวันวันมีความสุขไว้เป็นวันวันบ้าง สุขด้วยความสงบนั่นล่ะเอาความสงบนั้นทำยังไงเราจึงจะมีความสงบได้ เวลาเราภาวนาเราก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นฐานที่สำหรับรองรับเบื้องต้นซะก่อนเด้พอมันสงบแล้วก็อย่าไปสนมันพอสงบแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องตามความสงบเข้าไปนั่นนะ ในความสงบนั้นมันจะมีอะไรมันจะให้เรารู้อะไรไหมในความสงบนั้นนะมันจะได้รู้ด้วยตนเองกันใช่บ้างแล้วมันก็จะได้หายสงสัยว่าความสงบ ม, มันมีประโยชน์อย่างนี้ มีความเข้าใจด้วยด้วยตนเองมั่งสิเราพยายามแก้ปัญหาตัวเองให้ได้เนี่ยถ้าเราไปภาวนาคนเดียวมันก็ไม่ได้อีกล่ะ มันก็นั่งไม่ลงอีกละก็นั่งก็ไม่ได้อีกละไม่ได้นานมันได้อาศัยการฟังอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกเป็นผู้นำเป็นผู้ทาพาำพระนำพระอันนั้นมันจึงทำได้นะในชับเบ้องต้นนะ ทั้งทั้งก็เราอยากกินอะไอยากทำยางั้ น, นะแต่ไปทำานี่ยมันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีใครเนะนใครนำและไม่มีหมู่มีพวกแล้วก็อาศัยหมู่อาศัยพวกด้วยในเบื้องต้ น, นแล้วมันก็นั่งได้ถ้านั่งไปบ่อย มันก็เกิดความชํานาญนเลยนะหลายครั้งเขามันก็เกิดความชํานาญมันก็เลยนั่งได้นะ่ะน่ะมันอาศัยอย่างนั้นซะก่อนนะที่นี่มันเคยได้ยินได้ฟังอะไรมามันก็จะรู้ทีนี้มันก็จะเข้าใจเมื่อเวลามันเป็นอะไรมาสําหรับความสงบนะ พอมันได้ยินได้ฟังมาล่ะมันก็จะต้องแก้ไขของมันเลยตันเองสอิสิ่งที่มันเป็นเองนั่นและและเราก็แก้เราเองเนะี่ยแะปัญหาตัวนี้แนหะมันตัวสำคัญถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันดีหมดแล้วลนะ่ะ เมื่อว่าเราจะเข้าไปหาดีของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่เราจะแก้ไขเราเนี่ยสิอยู่ๆก็จะมาดีเอาเลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนะเราต้องคิดให้ดี ที่เราจะดีได้เนี่นยเดี๋ยวไปคิดว่าคนอื่นเขาจะให้ดีกับเรามันไม่ได้มีใบประกาศไม่ได้มีใบปริญญาบัตรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิอันนี้ไม่มีใครให้ ของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยแคือมันรู้ตัวเองอะนะมันไปถึงไหนเล้วมันได้อะไรสมมติว่าความสงบมันเกิดขึ้นเนเกิดขึ้นแล้วจิตมันตั้งมั่นในความสงบที่มันเป็นสมาธิสมาธิแล้วมันเป็นยังไง เนี่ยมันจะได้รู้เองจีงนี่เมื่อสมาธิมันมีมาแล้วฌานจะ ว, ว่าองค์ฌานมีปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างจะตติยฌานบ้างจะตุติฌานบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นยาน มันเกิดขึ้นคือความรู้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมีแต่ช้านวก็จะแต่ช้านอยู่อย่างนั้นมีแต่สมาธิก็สมาธิอยู่อย่างนั้นอย่างอื่นจะไม่มีมันเป็นไปได้เลยใจมันพร้อมมาบ่นยานมันเกิดขึ้นโดยวิธีไหนเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงยานมันมีอะไรบ้างอดีตังสยาน ยานในอดีตอนาคตตังสยานยานในอนาคตปัจจุบันตังสยานยานในปัจจุบันพอเมื่อมันเกิดขึ้นมาล่ะแต่มันเกิดขึ้นมาล่ะในอดีตตั न, ้งสยญญาณยานในอดีต ยานในอดีตมันคือยานอะไร่ะอดีตชาติชาติพบที่มันเคยเกิดเคยตายมาแล้วเคยเป็นมาแล้วแล้วมันมาแสดงเหตุให้เราเห็นนะแสดงรูปร่างลักษณะอะไรต่างๆ น, นานาประการนะี่ให้เราเห็นนะีะ ทีว่อดีตังสยา น, นั่นแม้ก็ะทั่งก็ทางที่เราจะไปขา้างหน้าเราจะไปถึงขั้นไหนเราจะไปสู่สุคติหรือจะไปพมรมโลกหรือจะไปถึงไหนมันเรียกว่าอนาคตตังสยา น, นั่ะมันก็รู้ล้วที ญาณมันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดสมาธิขึ้นมาลนะ่ะเกิดความสงบขึ้นมาลนะ่ะทำแต่ละอย่างละอย่างนะนะ่ะมันก็เกิดขึ้นในนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปท่องบนสาธทยายซะก่อนมันจึงจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่นะ เราทำให้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิแล้วทำทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะรู้เท่าเอาท่านน่ะแล้วมันก็จะได้แก้ปัญหาตัวเองนั่นน่ะ ชาติพบของตัวเองมันเคยเกิดเป็นนั้นเคยเป็นอย่างนี้แล้วมันมาโดยลักษณะนั้นนี่จะว่าที่ตังทยานมันเห็นน่เห็นด้วยปัญญาน่แล้วมันก็จะได้เกิดความสลดสังเวชโดดในเรื่องของตัวเองสิละแล้วมันก็จะรู้จักหาหนทางอันที่จะไปข้างหน้านะด้วยการ ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าปัจจุปนังสยาน่ะยานในปัจจุบันอีกมันก็เห็นจากยานปัจจุบันนั่นแหะมันก็ย้อนกลับไปทางอดีตมันก็พุ่งไปข้างหน้าไปทางอนาคตนก็ยานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหะมันเห็นเองของมันน่ะมันเป็นเองของมันน่ะ สำคัญอยู่ว่าเราจะทำให้มันได้หรือไม่เนี่ยนะมันทำให้ไม่ได้เนี่ยที่มันจึงยากกันเยวเนี่ยมันไม่เกิดไม่มีขึ้นเนี่ยมันก็รู้ได้ตั้งแต่เฉพาะตำรับตำรานะ่ เราก็ยังอาศัยตำรับตำลาพอได้อ่านได้ดูและได้เข้าใจก็ยังมีส่วนต่อคับประคองความเป็นอยู่ของตัวเองให้อยู่ในวงล้อมของศีลธรรมเนี่ยมันก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างแต่ส่วนธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนั่นน่ะ ที่นี่มันยังสิมันยังไม่ปรากฏสิเราเป็นได้เพียงว่าอยู่ในวงร้อมอยู่ได้โอบอ้ อ, อมของความเป็นศิลปเป็นธรรมเราก็อยู่ด้วยความเป็นศิลนเป็นธรรมก็ไดกว่าอยู่ด้วยความสุขสบายไปสุขตามหน้าที่เท่าที่เราจะก็ทำได้ ส่วนที่ธรรมะมันจะเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ปัญหามันเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะทดสอบด้วยตนเองน่ะ แล้วมันจะเป็นยังไงเนะี่ยทดสอบด้วยการภาวนาเนะี่ยทดสอบด้วยการทำความสงบเนะี่ยทำยังไงลนะ่ะมันจึงจะมีความสงบได้นะ นั่นลหละเป็นการที่ว่าทดสอบถ้ามันสงบได้แล้วมันก็จะได้รู้ได้เห็นโดยตนเองนะทิถ้ามันสงบไม่ได้ทำความสงบไม่ได้ความรู้เองเห็นเองมันก็ยาก ทั้งที่เราอยากได้น so, ั <ins> <ness> so, like, ่นแหะอยากรู so, ้เองอยากเห็นเองนี่แหละถ้ามันรู้เองเห็นเองล่ะมันจะเป็นยังไงกันมันเป็นไปซะมันจะตายกหนมันตายไปซะตายพอรู้เองเห็นเองค่ะมันตายไปเลยหรือมันจะอดจะอยากจะทุกข์จะยากกคหะมันลองดูซิว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่ ้ามันได้รู้เองเห็นเองน่ะ้ามันไม่ดีน่ะทำไมมีความสุขพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสคงไม่ได้บอกให้เราทำเนอะถ้าจะอดยากทุกยากพระองค์คงจะไม่บอกให้ทำอันนี้เราให้เราพากันเข้าใจอย่างนี้ในะการปฏิบัตินะ อย่าไปคิดเร่ความสงบไม่ดีอย่าไปนั่งคิดเอาเฉยๆแล้วก็หนีไปแล้วก็ไปทำข้างหน้าอีกแลวความสงบก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ว่ามันจะไปจบสิ้นตรงไห น, นไม่รู้ว่ามันจะไปเสร็จสิ้นตรงไหนผลของการปฏิบัติเราน้องก็เลยไม่รู้เรื่องอะ ให้เราพากันเข้าใจกันบ้างว่าเพราะฉะนั้นเน่ะที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยก็พากันมีเจตจำนงประสงค์ที่จะต้องหาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากตัวเอง อันมันเป็นประโยชน์อันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองที่มันมีอยู่ในตัวเองนี้แหละที่เราหากันอยู่ทุกวัน เ, นเราไมา่ได้ไปหาสมบัติภายนอกนะแต่เราคนหาสมบัติในตัวเองเท่านั้นนะอันมันเป็นสมบัติที่มันมีมาแหนะนี่เราหายังไม่เจออยู่เดี๋ยวนี้ย มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วขอวันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนั่นละจงได้มีความจดจำนำเอาไปเป็นข้อคิดด้วยโยนิโสมนสิการพิจรารณาให้มันเ ย, ยบคลายให้มันละเอียดลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีลภาพ ธรรมวิจยะคือความสอดส่องแห่งธรรมเพื่อเราจะได้ไปพุติปฏิบัติต่อไปผลอันที่เราจะพึงได้พึงถึงก็สามารถที่จะปรากฏในปัจจุบันอันที่เราได้กระทำที่ให้มันถูกต้องตามหลัก ทำนองของจิตที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเองดังที่ได้แสดงมาเนี่ยก็ได้สมควรเจรละเวลาขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละเอวังก็มีด้วยโยการะชนี